มิินทปัญหาของกรมศิลปากรมิลินทปัญหาเมนกะปัญหาจะตุทวักอ น, นิเกตานาระยะการณปัญหาที่6ถามว่าห้าไม่ให้ภิกษุยึดถืออะไรที่อยู่เหตุไรจึงพน า, นาอานิสงการสร้างวิหารถวายภิกษุเล่า สมเด็จพระเจ้ามิลินภูมินทราธิปดีมีพระราชโอการถามปัญหาอื่นว่าพันเตนาคเสณะฆ่าแต่พระนาคเสนผู้เป็นเจ้าผู้ประกอบด้วยปรีชาพาสิตังเจตังพักวตาถ้อยคาอันนี้สมเด็จพระพิชิตามารโมลีมีพระพุทธดีกาตรัสว่าธรรมดาว่าบรรพชิตควรเป็นผู้หาที่อยู่ไม่ได้ไม่ควรอยู่เป็นหลักแหลง่งอ น, นาและยัง หาอะไรที่อาศัยไม่ได้นี่แหละเป็นกิริยาอ น, นักประต์ทั้งหลายเสพสมาคมคบหามีพระพุทธดีกาตรัส ด, ดังนี้ปุณะพานิตังมาอีกเล่ากลับมีพระพุทธดีกาตรัสว่าทายกพึงสร้างวิหารที่อยู่อันเป็นที่สบายให้แก่ภิกษุทั้งหลายอันเป็นพ้าหูสูตรผู้ทรงพระไตรปิฎกอยู่ให้สาราญนี่แหละ สมเด็จพระโลกุุตามาจารย์มีพระพุทธดีกาตรัส ด, ดังนี้คำหน้าเป็นอย่างหนึ่งคำหลังเป็นอย่างหนึ่งปัญหานี้ลึกเป็นอุพโตโกตินิมนต์โปรโดวิสัชนาให้แจ้งในการบัดนี้พระนาคเษนจิงถวายวิสัชนาว่ามหาราชขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภาร สมเด็จพระโลกุตมาจารย์มีพระพุทธดีกาโปรดว่าภิกขเวดูกะระภิกษุทั้งหลายธรรมดาว่าภิกษุพึ่งหาที่อยู่มิได้และมิได้อาลัยแน่ว่าอยู่ที่นั้นที่นี้เป็นนิดสมเด็จพระพิชิตตมาณมุนีโลกกนาจเจ้าตรัสชนีตรัสเป็นอว ส, สวัยสวจนะคือมิได้ตรัสห้ามมิให้ภิกษุมีที่อยู่อาศัยเสียเลย เป็นแต่ห้ามมิให้ติดอยู่ในที่อาศัยเมื่อพักอยู่ชั่วคราวแล้วให้เที่ยวจาริกไปพระพุทธพจน์นี้จะมีผิดหาไม่ได้พระองค์ตรัสถูกแท้ไม่แปรผันคำที่ว่าภิกษุเป็นผู้หาที่อยู่ไม่ได้และไม่มีอะไรแน่ว่าอยู่ที่นั่นที่นี่เป็นนิดสมณานุชชวิกังสมควรแก่สมณนะ สมณะสารูปังเป็นสมณะสารูปสมณปฏิรูปังชอบแก่สมณะสมณาระหังควรแก่สมณะสมณะโคจรังเป็นอารมณ์แห่งสมณะสมณะปฏิตังเป็นที่ปรารถนาแห่งสมณะควรสมณะจะพึงปฏิบัติให้ถูกต้องตามกระแสพระพุทธฎีกามหาราช ขอถวายพระพรบพิษพระราชสมภารเปรียบปาลุดมรุกชาตหมูเนื้ออันเที่ยวไปในไพรสนมราปานิราลายโยหาอะไรไม่ได้ในที่อยู่อ น, นิเกโตจะได้สมสู่อยู่ในประเทศที่ใดหาไม่ได้ยะติชิตังยาติย่อมเที่ยวไปโดยควรแก่ปรารถนาของเนื้อทั้งหลายนั้นยะถา มีครุวนาฉันใดเป็นภิกษุเล่าก็พึงเป็นอาณาลายัย่าได้อาลัยด้วยที่อยู่อั น, นิเกโตพึงสมสู่อยู่ณนะที่หากำหนดไม่ได้อุปไมเหมือนเนื้อนั้นเอตังกิจจังอันว่ากิจนี้มุนิทัศนังเป็นที่ปราดจะเยี่ยมเยินไปมาหาสู่มหาราชดูกระบพิษพระราชสมภาร ประการหนึ่งเล่าซึ่งกระแสรพระพุทธดีกาสมเด็จพระมหากรุณาตรัสประพาธไว้ว่าให้สัตบุรุษทายกสร้างวิหารให้แก่พระภิกษุที่เป็นพระหูสูตรทรงไตรปีดกนั้นด้วยสมเด็จพระสัพพันญูมารำพึงด้วยพระยานทรงทราบว่าวิหารฐา น, นี้เป็นที่สรรเสริญยินยอมแห่งสมเด็จพระพุทธเจ้าแต่ก่อนมา มหาชนทั้งหลายได้ถวายวิหารทานแก่พระภิกษุแล้วอาจสําเร็จแก่พระนิพพานพ้นจากชาติติทุกข์ชาราทุกข์พยาธิทุกข์มรณะทุกสี่กองนี้เที่ยงแท้นี่แหละเป็นอานิสงส์ประการหนึ่งปุณะจะปรังอีกประการหนึ่งเล่ามหาราชาดูกระบพิษพระราชสมภารเจ้าเมื่อพระภิกษุทั้งหลาย เที่ยวจาริกสัญจรอยู่ในป่ามหาชนทั้งหลายผู้มีศรัทธาจะได้พบได้ปะโดยยากเมื่อได้สร้างวิหารถวายให้อยู่อาศัยแล้วท่านจะได้ไปมาพักพาอยู่เป็นครั้งเป็นคราวให้มหาชนได้เห็นและได้มาทำบุญให้ทานสร้างวิหารนั้นมีอนิสงส์ดังนี้อีกประการหนึ่งสิริเป็นอนิสงส์สองประการเหตุดังนี้ สมเด็จพระโลกรุตามาจารย์จึงมีพระพุทธดีกาตรัสว่าให้ทายกสร้างวิหารถวายแก่พระภิกษุเป็นพระหูสูตรผู้ทรงไว้ซึ่งพระไตรปิฎกแต่พระพุทธบุตรทั้งปวงนั้นพระองค์เจ้าบัญญัติไว้ว่าอย่าให้รักใคร่อาลัยด้วยวิหารนั้นเพึ่งอยู่ชั่วคราวแล้วหลีกไปอย่าได้อยู่ในที่ใดติดอยู่เป็นนิดพระองค์โปรดไวเชนี้ขอถวายพระพร สมเด็จพระเจ้ามิลินปิ่นประชาได้ทรงฟังก็ทรงพระโสมนัสปรีดาตรัสว่าพันเตฆ่าแต่พระผู้เป็นเจ้าสัมปติชามิยมจะรับเอาถ้อยคําของพระผู้เป็นเจ้าไว้เป็นข้อวัตรปฏิบัติสื่อไปแก่กุลบุตรอันเกิดมาเป็นปัจฉิมาชนตาสัตว์ในการบัดนี้อันนเกตานาระยะกรณะปัญหาเป็นคํารบหก จบเพียงนี้